<Book> 98ต้มให้ ย, ยนิมิดิสันทานซ้อนสันทานเจนตะสัมยโจกาลุการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไปประยะนันชาลาบาบัดกนันนชาลาอนันรัทกนดิ รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไปเรนสมัยอนิก็บิษัินดี้กันี่จาลาปูติกันอินดิ้อันดีโรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไปโฮเทลจาลาสักครีอวันตังกานอันดี้กันนี่ขาย ด, ดีนิดดีเขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ อ้หนะบัสหรเลดาเทรนอกคตารุเขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้าอ้หนะึ่งยี่สายนันเลดาเรือบูเดนราัชุเขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรมอ้หนะึ่มาโตเลดา้าโฮเทลล์เนวสิตารุเธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ อเอปนช ก, กูามา์ลาตุเธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอนอาเอดดดาดต่ลนนล ก, กูดสินชินดีเธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ อ, เ, อ, เ, อเกต่อลกูดตลเขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วยอนนั้นมุรคเด็กาดุบัดดาคัสตูดกูดาเธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วยอาเมอันดัม่ได้กาคาเทลิเวนด้ิกูดาเธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นแต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยอาเมเจอร์มนเอกกาคาเฟรนช์กูดามาทลาร์ดกันดู ดิฉันเล่นไม่ได้ทั้งเปียโ น, โนและกีตาร์เน้นเปีย โ, โนกนันนีกีตาร์กนันวายินเลโนดิฉันเต้นไม่ได้ทั้งวอลท์และแซมบา้าเน้นวอลท์กันนี่แมบ้ากาัเชยเลนดิฉันไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่น้ากโอเปร่ากาบอเลก่กนะชะดู ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้นเมเรียนต์ตัดวาปานิเจสเตอันตวารามีปานิปูเตอุนดยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นเมเรียนตัดวาระราเกลกิเตอันตัวาระติริกเวลัชูคนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ก็ยิ่งเกียรติคร้านขึ้นเท่านั้น ใบสะเพริกุตินนักอดีตบุลล่าสะวันตั త ก์ก็ตายอย่า